ก็สำคัญกว่ารู้จะมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอไม่คิดจะอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอแค่งเงาใจในวันที่เราพบกันเธอแค่มีความสุดแต่ว่าเธอ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 แป้งทอดกรอบนะคะก็เป็นเคล็ดลับที่สําคัญนะคะเวลาที่เราจะใช้แป้งทอดกรอบเนี่ยก็คือเวลาผสมแป้งกับน้ําให้ใช้น้ําเย็นนะคะผสมกับแป้งข้นพอให้แบบว่าชุบติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะแล้วก็ใช้ไก่เนี่ยจุ่มลงไปนะคะทอดในน้ํามันร้อนเช่นกันก็จะได้ไก่ทอดที่กรอบนอกนุ่มในอีกแบบหนึ่งค่ะน ะ, ะมากันที่อีก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 จนเช้าคงหลับตาไม่ได้ใจบังคับให้โทรมาจิตเดือเกินไปไหมที่ช่วู I am. s h a n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 มีความน่าสนใจเรียบหรูนั่นเองแล้วยังได้ประโยชน์ด้วยนะคะไว้เขียนโน้ตฝากข้อความถึงคนในครอบครัวก็คือด้านหนึ่งเนี่ยใช้เป็นกระดานดำนะคะทั้งด้านเลยนะคะเวลาใครมีโน้ตอะไรฝากไว้เนี่ยก็สามารถที่จะไปเขียนนะคะไว้ที่ผนังได้ก็เหมือนเอากระดานดํามาติดไว้ที่ผนังนั่นแหละนะคะบวกไปถึงเรื่องของสูตรอาหารต่างๆน ะ, ะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขียนไว้นะคะเวลาที่เราทําอาหารก็จะได้สะดวกน ะ, ะแล้วก็มองเห็นชัดเจนค่ะต่อมานะคะข้อ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 แบบสังสรรค์ร่วมกันนั่นเองนะคะ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 ก็เป็นเรื่องราวของแก้วจรารนายเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแก้วจรารนายที่เป็นคราบให้ใช้แอมโมเนียค่ะผสมกับน้ำอุ่นนะคะ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 ข้อที่13นะคะถ้าขวดแก้วสกกระปกหรือว่ามีกลิ่นให้ใส่เกลือนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็เทน้ําลงไปสักครึ่งขวดค่ะคนนะคะคนหาอะไรมาคนให้เกลือเนี่ยละลายทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ใช้น้ํายาล้างจานทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อที่14นะคะถ้าขวดเกลือเนี่ยมีคราบเกลือติดแน่นนะคะให้ใช้น้ํามันมะกอกเอ่อไว้ใส่เอาไว้ในขวดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หลายๆวันแล้วก็ค่อยทําความสะอาดค่ะ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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี